บรรดาพระราชาสีพระองค์นั้นพญานาคมีพระชายานามว่าพระนางวิมลาเทวีพระนางนั้นเมื่อไม่เห็นเครื่องประดับแก้วมณีที่พระโสอของพญานาคจึงทูลถามว่าแก้วมณีของพระองค์หายไปไหนเล่าเพคะเท้าเธอจึงตรัสว่าแน่นางผู้เจริญเราได้สะดับธรรมกถาของวิทุระบัณฑิต บุตรของจันทพรามมีจิตเลื่อมใสจึงเอาแก้มณีนั้นบูชาเธอจะบูชาแต่เราคนเดียวก็หาไม่ได้แม้เท้าสักกะเทวราชก็ยังทรงบูชาเธอด้วยผ้าทุกุลพัดอันเป็นทิพย์พยาครุธทรงบูชาเธอด้วยดอกไม้ทองพระเจ้าทานัญชัยทรงบูชาเธอด้วยวัตถุต่างๆมีโคโนมหนึ่งพันตัวเป็นต้น พระนางวิมลาทูลถามว่าพระวิทุระบัณฑิตนั้นเป็นพระธรรมกถึกหรือเพคะพระราชาทรงพรนานาคุณของวิทุระบัณฑิตนั้นว่าแน่นางผู้เจริญจะพูดไปใหญ่เล่าพระราชาหนึ่งร้หนึ่งพระองค์ในชมพูทวีปทั้งสิ้นล้วนพอพระไทยในธรรมกถาอันไพเราะของเธอ เหมือนกับการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้ายังเป็นไปอยู่ในแผ่นดินชมพูทวีปทั้งสิ้นจนไม่ยอมเสด็จกลับแว่นแคว้นของตนของตนเป็นดังกระแสเสียงพินชื่อหัดผีกันสะกดฝูงช้างตกมันให้ใครเธอเป็นธรรมกระถึกเอกแสดงธรรมไพเราะจับใจยิ่งนักพระนางได้สดับกถาชมเชยคุณของวิุรบัณฑิตแล้ว ใคร่จะสดับธรรมกถาของท่านจึงทรงดำริว่าหากเราจักทูลว่าหม่อมฉั้นใคร่จะฟังธรรมกถาของวิทุระบัณฑิตขอพระองค์โปรดให้เชิญมาในหน้าพิภพนี้เถิดเพคะดังนี้เท้าเธอจกไม่โปรดให้เชิญมาให้แก่เราอย่ากระนั้นเลยเราควรจะแสดงอาการดังเป็นไข้ว่าหม่อมชั้นแพ้ท้อง อยากได้หัวใจวิทุระบัณฑิตนั้นดังนี้พระนางครั้นกระทำอย่างนั้นแล้วให้สัญญาแก่เรลานักสนมจึงเสด็จเข้าบรรทมอยู่ณนะพระแทน่นอันประกอบด้วยสิริพญานาคราชเมื่อไม่ทรงเห็นพระนางวิมลลาเทวีในเวลาเข้าเฝ้าจึงตรัสถามว่าพระนางวิมลลาไปไหนเมื่อเหล่านางสนมทูลว่า พระนางทรงประชวนเพคะเท้าเธอจึงเสด็จลุกจากพระราชอาดเสด็จไปยังสำนักพระนางวิมลานั้นประทับนั่งข้างพระแท่นสายยาทรงลูกคลำพระสรีระกายของพระนางอยู่ได้ตรัสพระคาถาที่หนึ่งว่าเธอมีผิวพันธ์เหลืองสู้ผอมถอยกำลังเมื่อก่อนรูปพันธ์ของเธอไม่ได้เป็นเช่นนี้เลย แน่พระนองวิมาลาพี่ถามแล้วขอเธอจงบอกเวทนาในร่างกายของเธอเป็นเช่นไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีผิวพันเหลืองปันดุได้แก่มีผิวพันดังใบไม้เหลืองคำว่าสู้ผอมกีสิยาได้แก่หอมคำว่าถอยกำลังทุพลา ได้แก่มีกำลังน้อยข้อว่าเมื่อก่อนรูปพันของเธอไม่ได้เป็นเช่นนี้เลยวันณนะรูปเปนะเตะเวทิสังปุเรความว่ารูปกล่าวคือวันณะของเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนเช่นนี้ในก่อนเลยคือในก่อนไม่มีโทษไม่เศร้าหมองแต่บัดนี้รูปนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป มีภาวะไม่เป็นที่ชื่นใจเลยพญานาคตรัสเรียกพระนางวิมาลาเทวีว่าวิมเลแนพระน้องวิมาลาลำดับนั้นพระนางวิมาลาเทวีเมื่อจะทูลบอกแกเท้าเถอจึงตรัสพระคาถาที่สองว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมหมู่นาคในหมู่มนุษย์ชื่อว่าความอยากได้โน่นอยากได้นี่ ความแพ้ท้องเขาเรียกกันว่าเป็นธรรมดาของหญิงทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐสุดในหมู่นาคหม่อมฉั้นปรารถนาดวงหะไทยของวิธุระบัณฑิตที่บุคคลนํามาได้โดยชอบเพคะบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าเป็นธรรมดาธรรมโมได้แก่เป็นสภาวะคําว่าของหญิงทั้งหลาย มาตีนางได้แก่ของผู้หญิงทั้งหลายคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอหมู่นาคชนินทะได้แก่ผู้เป็นใหญ่แห่งพวกนาคข้อว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐสุดในหมู่นาคม่อมชันปรารถนาดวงหะไทยของวิทุระบัณฑิตที่บุคคลนํามาได้โดยชอบธรรมมาหะตังนาคกุญชระวิทุรัสสะ พัทยาภิปัฏทเยความว่าข้าแต่นาคผู้ประเสริฐสุดมอมฉันอยากได้ดวงหัตัยของวิทุรบัณฑิตที่พระองค์นํามาได้โดยชอบธรรมไม่ใช่โดยกรรมที่สาหัสเมื่อม่อมฉันได้ดวงหทัยนั้นจึงมีชีวิตอยู่ถ้าเมื่อตอมฉันไม่ได้ซ้ไซมอมฉันเห็นจะมรณะอยู่ในที่นี้แลพระนางตรัสอย่างนั้น หมายถึงปัญญาของวิทุรบัณฑิตนั้นพญานาคได้ทรงสดับคําแล้วได้ตรัสคาถาที่สามว่าแน่พระนองวิมาลาเธอปรารถนาะดวงหะไทยของวิทุรบัณฑิตดังจะปราถนาะพระจันทร์พระอาทิตย์หรือลมเพราะว่าวิทุรบัณฑิตยากที่บุคคลจะพบได้ใครจกนําวิตุรบัณฑิตมาในนาคพิภพนี้ได้ บรรดาคําเหล่านั้นข้อว่าเพราะว่าวิทุระบันดิตยากที่บุคคลจะพบได้ทุละเพหิวิทุรสะทัศเนความว่าการเห็นวิทุระบันดิตผู้มีเสียงอันไพเราะหาผู้เสมือนมิได้นั้นเป็นของยากด้วยว่าพระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นทรงเที่ยวจัดการพิทักษรักษา ป้องกันวิทุระบัณฑิตอย่างกวดขันประกอบโดยธรรมแม้ใครๆก็เห็นวิทุระบัณฑิตนั้นไม่ได้ใครเล่าจะนําวิทุระบัณฑิตนั้นมาในหน้าคพิภพนี้ได้พระนางวิมลลาเทวีได้สดับพระสวามีตรัส ด, ดังนั้นจึงทูลว่ามเมื่อม่อำฉันไม่ได้จกตายในที่นี้แลแล้วพลิกหันพระปิดสดางให้แก่พระสวามี เอาชายพระภูษาปิดพระพักบรรทมแล้วพญานาคเสด็จไปสู่ห้องที่ประกอบด้วยสิริของพระองค์ประทับนั่งลงเหนือพระแทน่นบรรทมทรงเข้าพระไยว่าพระนางวิมลลาเทวีจะให้เอาเนื้อหัวใจของวิทุระบันดิตมาจึงทรงพระดำริว่าเมื่อพระนางวิมลลาไม่ได้ดวงหะไทยของวิทุระบันดิต ชีวิตจักหาไม่ทำอย่างไรหนอเราจึงจักได้เนื้อหาไทยของวิทุระบัณฑิตนั้นลำดับนั้นนางนาคกัญญานามว่าอิรันทตีซึ่งเป็นทิดาของพญานาคนั้นประดับด้วยเครื่องประดับพร้อมศัพท์มาสู่ที่เฝ้าพระบิดาด้วยสิริวิราชอันใหญ่ถวายบังคมพระบิดาแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เห็นพระอินทรียีของพระบิดาผิดปกติเมื่อจะทูลว่าข้าแต่เสด็จพ่อดูเหมือนเสด็จพ่อได้รับความโทมนัสเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นเพราะเหตุไรหนอเพคะจึงได้ตรัสพระคาถาว่าข้าแต่เสด็จพ่อเหตุไรหนอเสด็จพ่อจึงทรงศบเาวพระพักของเสด็จพ่อเป็นเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยำด้วยมือ ข้าแต่เสด็จพ่อผู้เป็นใหญ่เป็นที่เกรงขามของศัตรูเหตุไรหนอเสด็จพ่อจึงทรงเป็นทุกข์พระไทยอย่าทรงเศร้าโศกไปเลยเพคะบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทรงซพเซาปัจชายสิได้แก่คิดมากไปคำว่าที่ถูกขยำด้วยมือหัตถะคตังความว่า พระพักของพระองค์เป็นเหมือนดอกปทุมที่ถูกขยำด้วยมือคำว่าข้าแต่เสด็จพ่อผู้เป็นใหญ่อิสระความว่าข้าแต่เจ้าของมนทนนาคพิภ พ, พ, พซึ่งมีประมาณห้าร้อยโยต์พญานาคราชนั้นทรงสดับคำของทิดาเมื่อจะทรงบอกเรื่องนั้นจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอิรันทตีลูกรัก ก็พระมารดาของเจ้าปราถนาดวงหะไทยของวิทุรบัณฑิตเพราะวิทุรบัณฑิตยากที่บุคคลจะพบได้ใครจกนำวิทุรบันดิตมาในหน้าพิพพนี้ได้บรรดาคาเหล่านั้นคำว่าปราถนาทานิยติได้แก่ย่อมปราถนาลำดับนั้นพญานาคราชจึงตรัสกับเธอว่าแน่ลูกหญิง บุคคลผู้สามารถเพื่อจะนำวิทุระบันดิตมาในสำนักของเราได้ก็ไม่มีเจ้าจงให้ชีวิตแกมารดาเถิดเจ้าจงไปสแสวงหาสามีผู้สามารถนำดวงหัทไทยของวิทุระบันดิตมาได้เมื่อจะส่งทิดาไปจึงตรัสอึ่งคาถาว่าเจ้าจงไปเที่ยวสแสวงหาสามีซึ่งสามารถนำวิทุรบันฑิตมาในนาพิภพนี้ บรรดาคาเหล่านั้นคาว่าจงเที่ยวไปจะระได้แก่จงท่องเที่ยวไปพญานาคนั้นได้ตรัสถ้อยคาแม้ที่ไม่สมควรแก่ทิดาเพราะถูกกิเลสครอบงำด้วยประการชนีเพราะเหตุนั้นพระาศาสดาจึงตรัสว่าก็นางนาคมารวิกานั้นได้สดับยพระดารัสของพระบิดาแล้วเป็นผู้มีจิตชุ่มด้วยกิเลส ออกเที่ยวแสวงหาสามีในคืนนั้นบรรดาคาเหล่านั้นคำว่าเป็นผู้มีจิตชุ่มด้วยกิเลสเที่ยวไปอวสติจริความว่าภิกษุทั้งหลายนางนาคมานวิกานั้นได้สดับคำพระบิดาแล้วจึงปลอบโยนพระบิดาให้เบาพระไทยแล้วไปสู่สำนักพระมารดาปลอบพระไทยแล้ว ไปยังห้องอันประกอบด้วยสิริของตนประดับพร้อมศัพท์นุ่งผ้าสีดอกคำผืนหนึ่งทำเฉียงบ่าผืนหนึ่งแวกน้ำเป็นสองข้างออกจากหน้าพิภพไปในกลางคืนนั่นเองเพะไปสู่การาคิรีบรรพ์ซึ่งมีแท่งทึบเป็นอันเดียวมีสีดังดอกอัญชันสูงได้หกสิทธยอซึ่งตั้งอยู่ใกล้ฝั่งสมุทรนะิมวันตประเทศ เป็นผู้มีจิตชุ่มด้วยราคะคือเป็นผู้มีจิตชุ่มด้วยอำนาจกิเลสเที่ยวสแสวงหาสามีแล้วนางอิรันทตีน่ากัญญานั้นเก็บดอกไม้ในหิมะวันตระประเทศนั้นที่สมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นมาประดับยอดบันพศทั้งสิ้นให้เป็นดุจพนมแก้วมณีลาดดอกไม้ที่พื้นเบื้องบนแห่งบรรพศนั้นป้อนรำด้วยท่าทางอันงามเพิดพริง ขับร้องเพลงขับไพเราะจับใจได้กล่าวคาถาที่เจ็ดว่าคนทันรากสดนาคอินนอนหรือมนุษย์ใครเป็นผู้ฉลาดสามารถจะให้สิ่งที่น่าใคร่ทั้งปวงได้ผู้นั้นจะเป็นสามีของเราตลอดกาลนานบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าคนทันรากสดนาคใคร เกคันทพเพจะรักขะเสนาเคความว่าคนทันรากสดหรือนาคใครก็ตามคำว่าใครเป็นผู้ฉลาดสามารถจะให้สิ่งที่นาใครทั้งปวงได้เกปันดิเตสัพะกามทะเทความว่าในบรรดาคนทันเป็นต้นนั้นคนไหนเป็นผู้ฉลาด สามารถเพื่อจะให้สมบัติอันนาใครรทุกอย่างผู้นั้นทำให้เสร็จมโนรสของพระมารดาของเราผู้แพ้ท้องปรารถนาเนื้อหาไทยของวิทุระบัณฑิตจกได้เป็นสามีของเราตลอดกาลนานขณะนั้นปุณญกะยักษ์เสนาบดีหลานของท้าวเวสวรมหาราชขึ้นม้ามโนไมยสินทบสูงประมาณสามคาวุธ เอาะไปสู่ยักษ์สมาคมที่พื้นมโนศิลาเหนือยอดกาลบันพศได้ยินเสียงเพลงขับร้องนั้นของนางอิรันทตีนาคกัญญานั้นเสียงขับร้องของหญิงผู้เคยอยู่ร่วมกันในอัตภาพที่แล้วได้ตัดผิวหนังเป็นต้นของปุณกะยักษ์เข้าไปกระทั่งถึงเยื่อในกระดูกดำรงอยู่ปุณกะยักษ์นั้นมีจิตปฏิพั์ ชักม้ากลับคืนนั่งอยู่บนหลังม้าสินทบนั้นแหลปลอบประโลมนางให้ยินดีว่าแน่นางผู้เจริญที่เป็นผู้สามารถนำดวงหทไทยของวิทุระบัณฑิตมาให้ได้โดยชอบธรรมด้วยปัญญาของพี่เจ้าอย่าคิดวิตกไปเลยแล้วกล่าวคาถาที่แปดว่าแน่นางผู้มีในตาหาที่ติไม่ได้ เธอจงเบาใจเถิดเราจักเป็นสามีของเธอจักเป็นผู้เลี้ยงดูเธอด้วยปัญญาของเราอันสามารถจะนําเนื้อดวงใจของวิธุระบัณฑิตมาให้ได้เธอจงเบาใจเถิดเธอจักเป็นภรรยาของเราบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าแน่นางผู้มีในตาหาที่ติมิได้อนินทโลจเนได้แก่ ผู้มีในตาที่จะพึงตําหนิมิได้คําว่าอันสามารถจะนําเนื้อดวงใจของวิธุระบัณฑิตมาให้ได้ตถาวิทาหิความว่าอันสามารถนํามาซึ่งเนื้อหัตถัยของวิธุระบัณฑิตคําว่าเธอจงเบาใจเถิดอัศสาสะได้แก่เจ้าจงได้ความหายใจคล่องมีความดีใจเถิดคําว่าจักเป็น เหต ส, สิความว่าเจ้าจักเป็นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านางอิรันธตีผู้มีใจกำนัดรักใคร่เพราะเคยอยู่ร่วมอภิรม์กันมาในพบก่อนได้กล่าวกับปุณกะยักษ์ว่ามาเถิดท่านเราจะไปในสํานักพระบิดาของดิฉันพระบิดาของดิฉันจักตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ท่าน บรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าผู้มีใจกำหนัดรักใคร่เพราะเคยอยู่ร่วมอภิรมกันมาในพกก่อนปุพะปะานุคเตนะเจตสาความว่ามีใจกำหนัดรักใคร่ในปุญญกะยักษ์นั้นผู้เคยเป็นสามีมาในอัตภาพถัดมาเพราะเคยร่วมอภิรมกันมาในการก่อนนั่นแหลคคำว่า มาเถิดท่านเราจะไปเอหิคัตฉามะความว่าภิกษุทั้งหลายปุณณะยักษ์เสนาบดีนั้นครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงคิดว่าเราจะอุ้มนางขึ้นหลังมา้าพาไปแล้วลงบนยอดบรรพดเหยียดมือออกจะจับมือนางอิรันทตีนั้นปลายนางอิรันทตีนั้นไม่ให้จับมือตน จับมือปุนกะยักษ์ที่เหยียดออกไปเสียเองแล้วกล่าวว่าข้าแต่นายดิฉันไม่ใช่คนไร้ที่พึ่งพญานาคนามว่าวรุณเป็นบิดาของดิฉันพระนางวิมลาเทวีเป็นมารดาของดิฉันมาเถิดท่านเราไปสู่สำนักแห่งบิดาของดิฉันเราทั้งสองจะควรทำมงคลด้วยประการใด เท้าเธอคงตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ท่านด้วยประการนั้น